การประพฤติปฏิบัติธรรมของพวกเราไม่ว่าคณะจาาัตยานโยมไม่ว่าพระ ส, สงฆ์แต่ตามให้จริงถ้ามองอีกแบบหนึง่งเหมือนกับพวกเรากลัวตายเฉพาะกลุ่มพวกเราแต่แต่มองอีกมุมอมองหนึ่งพวกเราเห็นแล้วความทุกข์จุดนั้นน่ะมันมหันขนาดไหน พระพุทธเจ้าท่านบอกให้พุทธศาสนิกชนของพระองค์อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่พวกเราได้ฟังทำคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็มองว่าอื응้งใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้องอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราจึง ได้ตั้งตัวเข้ามาอย่างเนี้มาอยู่ป่ารงพงไพรมาอยู่ในที่กันดานระวียงระวงังหลายอย่างภัยเกิดจากธรรมชาติไม่รู้ว่าอส ร, รพิษสัตว์ต่างๆแมลงต่างๆตัวต่อตัวแตนมากมายถ้าสรุปถ้าพูดออกไปแล้ว ก่อเราอยู่ในป่าแลว้วกับการเป็นอยู่ของเราก็ต่างถิ่นต่างฐานอีกต่างหากแต่ก่อนเราเคยอยู่ในสถานที่สุขสนุกสบายแต่บัด น, นี้เราได้จากออกมาจากสถานที่นั้นมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้มันจะให้เหมือนอย่างที่เราอยู่สมัยก่อนมันเป็นไปไม่ได้หมู่บางองค์ เคยอยู่ในที่สว่างเกิดมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กอยู่กับไฟฟ้าสว่างสวัยไปไหนสะดวกสบายแต่พอมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้มันมืดไปหมดเลยหลับตากลืมตามมีคุณค่าเท่ากันถึงจะลืมตามมันก็มืดถึงจะหลับตามันก็มืด เ, เว้นเสียจะมีไฟฉายสองท่อนเองจึงจะสว่างขึ้นมาได้ บางคนบางท่านก่อนี่ยมาเห็นความมืดเพียงแค่นี้แหละโอ้โหทําไมมันมืดขนาดนี้ถ้ามีอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรเนี่ยก็เกิดความกลัวกันขึ้นมาเนี่ยกลัวความมืดนะก็มีตั้งเยอะแยะเหมือนกันเพราะคนเรามันกลัวไม่เหมือนกันนะแต่หลวงพ่อก็เลยบอกว่ากรรมาฐานยุคสุดท้ายปลายแดนเนี่ยไม่มีอันจะกลัว กลัวความมืดบงังเรื่องผีเนี่ยธรรมดาละยุค ก, ก่อนสมัยก่อนเขาก็กลัวยุคนี้กับเป็นหลักอยู่แล้วนะเรื่องกลัวผีบางงันแต่จะจะมีหรือไม่มีอีกส่วนหนึ่งแต่กลัวไปก่อนเพราะคนพาโบราณโบราณเขาพากลัวมาต่อมาก็มากลัวความมืดอย่างที่ว่าจากนั้นก็ไม่มีที่จะกลัวกลัวจิงจกตุกแก่ จิ้งหลงจิ้งเหลนกลัวกระทั่งไก่อีกต่างหากเพราะสิ่งที่ไม่เห็นอะไรกลัวหมดอันนี้คือกรรมฐานยุคสุดท้ายปลายแดนแต่ยุคลงปูเสาหลงปู่มั่นยุคลงปูเขาหลงตาสมัยยุคท่านออกตู่งยุคสมัยนั้นท่านกลัวพวกช้างพวกเสือพวกหมีพวกงูใหญ่บางทีท่านนั่งอยู่นีน ทำท่านไม่เคยบางทีงูใหญ่มันมาจากหลังเขามันทางหากินของมันเวลากลางคืนเวลางูมันผ่านมาเนี่ยมันสัมผัสกับกิ่งไม้ใบไม้กับก้อนหินและก้อนนั้นน่ะมันจะเสียงดังมากนะเหมือนจะเหมือนลมแต่มันไม่ใช่ลมแต่สรุปได้ก็คืองูงูใหญ่แล้วมันผ่านมาเสียงดังห่อ ไปเรื่อยงั้นแหะให้เข้าเมื่อกี้เสียงลมแต่ไม่ใช่ลมอย่างนี้เราก็เคยได้ยินอย่างงูจงอางตัวใหญ่กลางคืนพอค่าๆเนี่ยมันเสียงมันผ่านมาบริเวณใบไม้แห้งเลยโอ้มันเสียงมันเสียงน่ากลัวของมันเหมือนกันนะเวลามันไปค่เข้มาเสียงยาวไปเลยอย่างนันเด้อมันสัปัดยาวไปเลย แต่มันทําไมดังก็ไม่รู้ทั้งที่ทั้งที่ตัวมันก็เลื่นๆ น, นะมันน่าจะไหลรัดไปเลยวนะ่างั้นแต่มันเสียงดังอะนี่แหละพวกงูใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี่แหละอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็เล่าให้ฟังทัานก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะพวกงูวนะ่างั้นแต่มันก็ไม่เข้ามาใกล้หรอกแต่มันเห็นมันก็เพียงแต่ชูคอดูแล้วมันก็เห็นว่าเป็นมนุษยนะ์มันก็กลัวเราเหมือนกันะ มันก็พยายามรีบปลบหนี้เหมือนกันและกัพวกช้างพวกเสือพวกหมีถ้าไม่ไปเชิญหน้าจริงๆมันก็ไม่กล้าสู้เหมือนกันพวกสัตว์เหล่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ท่านก็รู้อยู่แล้วนี่คืออันตรายบางทีบางองค์ก็เดินไปไปเจอช้างมาบดๆดเดินไปอย่างที่ดงสีชมพูก็เคยได้ยิน ช้างมันพอได้ยินเสียงคนมันก็ยืนนิ่งอยู่ข้างข้างทางมาักพระเนี่ยก่อนเคยไปเคยมาอย่งงางเง้ก็มาเน่พายบาดเจ็บแ้วก็มาเดินเดินเดิ น, ดนมาดุ่มุ่มมาเรื่อยนเรืองจวนจะสว่างตัวช้างมันก็ยืนอยู่ข้างเห็นคนมานนิ่งเลยพอไม่ใกล้จริงจริงมันเอางวงมันฟาดเขาตรงปากพอดีอย่างเงี้หงายหลังเลยมันก็ ฟ้าที่ร็จแ้วก็ไปของมันอีกเหมือนกันเหมือ น, น, น, นกันแต่เออบอลก็ตื่นเหมือนกันมันมันก็เอาตัวรอดก่อนมันก่อนมันจะหนีไปไอ้พระเลยก็สลบเออกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่โอ้ฟันมันเกือบล่วงไปหมดแล้วเหมือนกันแต่ลุกขึ้นมาได้โอ้เป็นอะไรดูดูดมีรอยช้างไม่ได้หรอช้างตกเหมือนนีอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์รุ่นสมัยก่อนเก่าท่านมีประสบการณ์มากมาย ทั้งช้างทั้งเสือทั้งงูทั้งหมีแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆยังชกชุมสมัยนั้นอันนั้นคือคือกรรมาฐานรุ่นแรกมันก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่พอมายุคหลังๆช่วงหลังๆพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคางคกก็กลัวเห็นจริงจกก็กลัวตุกแกก็กลัวเอออะไรกลัวไปหมดองู มีมีพิษมีสารพิษมีพิษพอเห็นงูก็กลัวไว้ก่อนเลยอย่างั้นแหละเน่สมัยก่อนท่านเดี๋ยกลัวถึงกลัวพวกงูงูเห่างูจงอางแงูกระปะงูที่ทั้งหลายแหละท่านจะต้องศึกษาว่างูนี่มีพิษหรือไม่มีพิษเนี่ยท่านก็กลัวงูที่มีพิษถ้างูไม่มีพิษเดี๋ยท่านก็เฉยเดินผ่านไปเพ้อเพอยังเอาไม้เคาะหลังมันเล่นอีกต่างหากเนี่ยพองูไม่มีพิษ แต่พวกเราทุกวันนี้ว่าจะเป็นงูทั้งนั้นนะกลัวหมดพวกลูกศิษย์ลูกหากรรมาฐานรุ่นยุคหลังๆนะเนี่ยเพราะนั้นพวกเราต้องตั้งสติให้ดีนะมาอยู่ป่ากลัวทำไม่ถ้ากลัวความมืดล้วก็หลับตาิกลางวันมันก็มืดได้เหมือนกันถ้าเราหลับต า, าถ่าน ล, ลืมตานะเลยมันจะมืดก็เป็นไรไป พอมาดื่ฟ้าอากาศเนกลางคืนมันก็ต้องมืดกลางวันมันก็ต้องสว่างถ้าเราไปอยู่บ้านเมืองคับขันล่ะเกิดศึกสงครามล่ะเราจะไม่ตายก่อนเขาหรือ้าลกลุ้นความมืดอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องปรับตัวปรับใจปรับเข้ากับสถานการณ์ไม่ใช่ว่าเร า, าไปอยู่ที่ไหน เราก็จะกลัวไปหมดเขาไม่ไม่กลัวแล้วก็กลับกลัวฮ เ, เงงฮ้เราเป็นยังไงทีนี้เราเป็นยังไงทำไมเป็นยังงั้นเราผิดปกติหรือเปล่าเนี่ยความรู้สึกของเราผิดปกติหรือเปล่าใจของเราผิดปกติหรือเปล่าแต่เขาเขาอื่น้องทำไมไม่กลัว เ, เราทาไมกลัวนะสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราไปอยู่ในสถานที่ใดให้ทบทวน ให้ดูอย่างที่ในพระวินัยพระวินัยของพระสงฆ์ในครั้งพุทธการพระภิกษุที่จะเข้าไปสู่ป่าไปอยู่ป่าต้องเตรียมพร้อมดังนี้ให้มีไฟให้เรียนรู้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนอะไรขึ้นข้างแรมหรือข้างขึ้นหรือข้างแรมมันเป็นเดือนอะไร ปีอะไรอ่ะศึกษามหมดแล้วใครมีไฟเออมีไฟติดย่างไปด้วยเึงจะไปเป็นไฟหินก็เถอะเป็นไฟไม้ขีดก็เอเป็นไม้สีไฟก็เถ อ, อะเอต้องให้มีเพราะเราไปอยู่ป่าก่อนที่จะเดินเข้าไปป่าให้สังเกตว่าเราเดินไปทางทิศไหนของหมู่บ้านเออแล้วก็ทําความเข้าใจกับชาวบ้านเขาก่อนนายบ้านเขาก่อน อว่าอาตมามาสแสวงหาความสงบมาเพื่อบําเพ็ญจากนั้นชาวบ้านเขาพร้อมเพียงสมัคคีกันเขาจะจัดสถานที่เมื่อจะสถานที่เมื่อเราเข้าไปอยู่สู่สถานที่แล้วเราให้สังเกตในบริเวณที่เราพักมีจอมปลวกไหมมีต้นไม้ใหญ่ไหมมีคอร์ดไม้ใหญ่ไหมมีพุ่มไม้อะไรไหม ในบริเวณของเราในทิศสี่ทิศของเราที่เราจะพักเนี่ยให้สังเกตให้ดูดูให้ดีและจังจัดที่พักการที่จัดที่พักน่นก็ดูถามเขาว่ามีมาแมลงไหมมีสัตว์อะไรไหมเราจะป้องกันตัวอย่างไรเนี่ยอันนี้เราก็ต้องสังเกตไม่ใช่ผู้ลูปพลีมาแล้วก็มุดไปนอนเลยพอเห็นจอมปลวกตื่นขึ้นมา เห็นจองปวกาว่าช่างเลยเห็นพุ่มไม้ก็ว่าช่างเข้ามาหาเนี่ยเห็นขอนไม้กว่ า, างูเนี่ยพราะเห็นไรเพราะไม่ได้สังเกตไว้ก่อนเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระสาวกจากนั้นให้สวดพิรูปกเคให้เป็นมิตรต่อตระกูลของนาคตระกูลของงูตระกูลของจิ้งจกตุกแกนในวิรูปรเคพวกเราอ่านดูก็ได้ ที่สวดมนต์แปลนะวิรูปรเกหิเมเมตตังเมตตังอิลาปฏิหิเมนะจากนั้นก็กรณียเมตสูตดให้สวดกรณีเมตสูดสวดแล้วก็เพื่อเป็นมิตรเป็นสหายต่อสิ่งที่สิ่งที่ทบูรุณในบริเวณนั้นคือลุกขะพรมะเทวดาลุกขะเทวดาก็คือเป็นสถานที่ต้นไม้ลุกขะคือต้นไม้ เทวดาอยู่ตามต้นไม้ลูกขะเทวดาภูมิเทวดาเทวดาอยู่ตามภูมิสถานที่จอมปลวกบ้างอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้างเเรามาอยู่เราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับเทวบุตเทวดาท่านผู้ใดขอให้ท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ตามอัตภาพอยู่ตามสบายเรามาเพื่อภาวนาเรามาหาทางพ้นทุกเรามาไม่ได้หวังอะไรนอะเทวดานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเนะ อันนี้เราก็แผ่เมตตาในสถานที่เราพักพ้าอาศัยนี่แหละอันนี้ก็คือภิกษุผู้มาอยู่ป่า น, นี่ก็เหมือนกันอนะ่ะพวกเรามาอยู่วัดต่างสตางสถานที่แต่ก่อนเราก็อยู่ในบ้านในเมืองแล้วมาอยู่ในวัดหลวงพ่อไว้เนี่ยพิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สำหรับให้พระสงฆ์สมมณเนรอุบาสิอุบาสิกาเข้ามาปฏิบัติธรรมต้องมีใจอย่างนี้ เราไม่ได้มามุ่งหวังอย่างอื่นมันไม่ได้มุ่งหวังลาบยศสนเสริญสุขอะไรที่เป็นโลกโลกเรามาเพื่อชำระใจตามอริยะประเพณีที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่ท่านแนะนำทำอย่างไรมาอยู่ในสถานที่นี้แล้วจะรักษาศีลอย่างไรศีนของโยมศีนผ้าศีนอุโบสถให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในเรื่องของศีน ถ้าว่าเรื่องสินบริบูรณ์แล้วเราจะอาจฐาน เ, าเราจะไม่เกรงกลัวใครให้แค่ว่าเราไม่มีอะไรที่จะตำหนิเราได้ถ้าเราเป็นผู้มีสินแล้วจะเป็นผู้เชื่อมั่นในตนเองในการเป็นอยู่วายพระสงฆ์ก็เหมือนกันแ เ, เราอย่าไปให้ด้อยในพระวิ น, นัยมาอยู่ในสถานที่กลัวๆเท่าไหร่ยิ่งเข้มงวดขวดขันเรื่องศินตรวจตาไว้อยู่เสมอเรื่องศิน อย่าให้ขาดตกปกพ่องถ้าเรามีสินบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วใครๆก็ให้ความเคารพนับถือเรื่อมใสเชิดชูบูชาทั้งนั้นแะก็เหมือนกับเรามาอยู่ที่นี่ถ้าว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ไม่มีสินพี่น้องประชาชนหมู่พวกเพื่อนเห็นแล้วก็เขาก็ดูถูกเขาไม่ให้ความนับถือไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความยำเกรงเพราะเหตุไรเพราะว่าพระอรชีพระไม่มี อย่างอายเพราะไม่มีฮิริ อ, อตตะปาอย่างนี้ใครๆเขาไม่ให้ความสําคัญเพราะเหตุไรเพราะตัวเองเขาไม่ให้ความสําคัญกับตนเองเพราะฉะนั้นเราไปอยู่นสถานที่ไหนจึงเป็นผู้แค่งวดตรวจตาดูตัวเองให้นเป็นผู้มีศินถ้ามีศินดีแล้วเป็นเครื่องประกันคล้ายๆว่าเป็นเกาะกําเป็นเกาะกัน้นความชั่วกายวาจาของเรา เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วก็เคารพนับถือเลื่อมใสผู้มีศีลผู้อยู่ในกฎระเบียบจากนั้นก็พอมีศีลดีแล้วภ า, า, าวนาจะภาวนาจะกำหนดอะไรใจของเราไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกเราไม่ได้ส่งไปปุ่งฟุ้งออกไปข้างนอกเพราะเราเข้ามาปฏิบัติธรรมเราก็รู้แก่ใจว่าเรามาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เราไม่ได้มาเพื่ออย่างอื่นจากนั้นเราก็เร่งปฏิบัต ทำตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้มีสติสัมปะชัญญนะเนออย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจเนอะแต่ละวันเนอเราก็พยายามถึงมันจะไปเราก็ดึงกลับมาถึงมันจะไปก็กลับมาดึงกลับมามาหากัมาฐานจะให้จิตยังไงจิงจิตใจของเราจริงจะสงบจิตใจจะเป็นหนึ่งได้ธรรมดาใจของเราเหมือนแต่ก่อนเราก็ปล่อยปะละเลย มาไม่รู้ว่ากี่ปีกี่เดือนมาถึงบัด น, นี้เราจะเอามักเชือกมาผูกกับมัดกับปลักให้มันอยูนะ่มันก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกันแต่เราก็รู้ว่าไม่ใช่ของง่ายแต่ฝึกได้แล้วนะ่จะเลิศประเสริฐที่สุดเออบางทีพวกเราอาจจะมีบุญวาสนาบารมีในอดีตชาติของเราเราเคยปฏิบัติธรรมอย่างนี้มาก่อนหรือบางทีเราอาจจะเคยเป็นลือีชีพายหรือเราเป็น โยมเคยภาวนาอย่างนี้มาแล้วในอดีตชาติติดภพติดชาติมาแล้วเพราะนั้นเรามาทำในชาตินี้กันมาต่อเติมต่อเติมชาติที่แล้วชาติก่อนๆนั่นบางทีมันก็ถูกคอกถูกช่องถูกทางภาวนาจิตใจสงบเพราะเราเคยทำมาแล้วอย่างพระภายยะที่หลวงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังท่านขึ้นไปภาวนาอยู่บนหลังยอดเขาจนตายในยอดเขา พอตายยอดเขาแล้มาเกิดชาตินี้เป็นพระพาหิยะท่านฝึกฝนมาจนพอแรงล่ะพอได้มายืนฟังทำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแนหะรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นอย่าให้ความสําคัญในการรู้การเห็นนะพาหิยะ เ, เพียงแค่นั้นท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระรพอรหันต์เพราะเหตุใดเพราะท่านฝึกฝนมาในอดีตชาติของท่านจนบางเต็มทนแล้วเงี้ยนะพอได้ยินเปิดม่านขึ้นมาเท่านั้นแนหะ ท่านก็นโดดออกไปเลยได้สําเร็จเลยไม่ต้องพูดยากนี่เหมือนกันการบำเพ็ญของเราเนี่ยมันติดภพติดชาติติดไปเรื่อยๆนะความชั่วก็เหมือนกันนะออความชั่วก็เหมือนกันพระบางองค์เนีเป็นเพราะเนี่ยที่ความชั่วช้ายเสียหายเลยนะมันไม่มีแต่ไม่ใช่แต่ชาตินี้นะพระหัวดือองคงนี่แต่ชาติก่อนๆก็ไม่ยอมฟังใครเหมือนกันพอมาถึงชาตินี้มันหัวดื้ออีกอย่างเก่าเนี่ะนะ พระพุทธเจ้าทั้งกวายอย่างนั้นมีหลายองค์อันนั้นก็ติดพพติดชาติเหมือนกันวความไม่ดีพผะนั้นเรารู้แล้วว่าสิ่งที่มันไม่ดีเรากาจัดออกนะเราเอาแต่สิ่งที่ดีเข้ามาสู่กายว่าจาใจของเราช่างสมแต่คุณงามความดีทางว่าเราไม่พ้นไม่พ้นทุกในชาตินี้แล้วก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยของเราในชาติต่อไป คือการสังสมเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเรี่ยพอถึงที่สุดนั่นแอย่างพวกเราอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอัคร ส, สาวกหรือว่าเป็นอัศิตมหาสาวกท่านปรารถนาว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระอาศิตมหาสาวกเเป็นองค์หนึ่งขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นตำแหน่งพระสิวลีในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแต่พบมาพบนชาตินี้ เราจะมาภาวานาอย่างไงมันก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเราได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วว่าในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตพอเกิดมาชาตินี้เราก็บำเพ็ญภาวนาบำเพ็ญคุณงามความดีแต่ต่อไปแลืนะ่กันจนกว่าถึงจุดหมายปลายทางที่ได้รับพยากรไว้แล้วนั้นเราจึงจะได้สำเร็จสมความมุ่งมา่นปรารถนาเพราะเหตุไรนี่แหละมันไปตามแถวแนวนั้น ไม่ใช่ว่าเราจะพ้นทุกก็จะพ้นทุกอย่างพระศีอริยเมตตยเก็เหมือนกันพระศีอริยเมตตาคือพระสีอานในศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ท่านมาเกิดไหมมาเออมาเกิดในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเมืองกบิลพัฒนางโคตมีพระพี่เลี้ยงพระแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าถวายผ้า ผ้านี่ตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จออกไปบวชนางโคตเบเนี่ยก่อได้เองทําได้เองทอเองย้อมเองไปว่าปราณีที่สุดสุดใจอยู่งานน่ะ เ, เมื่อพระพุทธองคอ์พระลูกชายคือพระพุทธเจ้าเสด็จมาแล้วจะถาวายด้วยมือของพระองค์เองเอจะไหวถาวายด้วยมือของพระองค์เองถาวายพระพุทธเจ้าเพราะทํา ด้วยความตั้งใจทําด้วยความปราณีตสุดฝีมือของตนเองฮะจากนั้นก็ได้ถวายจริงๆพระพอุทธองค์ได้เสด็จมากรุงกัปินละพัดได้ถวายนางก็บอกว่าทําด้วยมือของตัวเองขอถวายพระพอุทธองค์ขอพระองค์ทรงใช้ผ้าจีวรผ้พาผืนนี้ให้หม่อมฉันด้วยเทอญฉั น, นท่านก็นอยากจะได้บุญมากพระองค์เออเอารับแล้วนะรับแล้ว ถ้าอยากจะได้บุญมากเราตถาคตองหนึ่งก็ได้บุญเอา้ายืนไปห า, าพระโมกข์พระสาลีบุตรพระโมกขลาภพระสาวกทั้งหลายที่นั่งเรียงลำดับจนถึงองค์สุดท้ายผ้าผืนนั้นแต่นางโคตมีน่แปล่ในใจเหม น, นทั้งที่เจตนามุม่งมั่นจตะตวายพระพุทธเจ้าให้พระพุทธองค์ได้ใช้อพอทำโดยฝีมือ ตัวเองตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปบวชตั้ง6กปีอย่างนั้เริ่มทำห้าหกเปีที่จะทํำภาพผืนเนื้ได้สําเร็จนะทําด้วยความปราณีตทําด้วยความตั้งใจแต่พระโต้งไม่รับตรับอยู่แต่ก็สั้างกระส่งไปส่งไปถึงองค์สุดท้ายพระพุทธองค์ก็รู้แล้วว่าเนี่ยองค์สุดท้ายเนี่ยคือใครแต่นางโพเตเมก็มองอยู่ตลอดอย่างั้นไปถึงไหนไปถึงองค์สุดท้ายองค์สุดท้าย รับเสร็จแล้วก็มันต้จะส่งไปที่ไหนพระองค์เองเป็นองค์สุดท้ายไงพระพุทธองค์ก็บอกว่าเนี่ยโคตมีที่นั่งองค์สุดท้ายนย เ, เธออย่าไปมองข้ามนะนั่นแหละคือพระศีริอริยะเมตไตจะอุบัติขึ้นในโลกเป็นองค์ที่ห้าจากเราไปเราเนี่เป็นองค์ที่สี่ในพัฒกาพนี้มีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์คือกกุชันโธโกณะคมโนกัจโฉโพ โคตโมเนี่ยโคตโมคือโคตโมคโครตโรน่คือเราต่อไปนี่เป็นอริยะเมตโยคือพระสีอานพระรสียอริยะเมตรยัยนี่แหละองค์นี่แหละจะอุบัติขึ้นในโลกแต่เป็นผู้มีบุญวาสนาบุญหนักสักใหญ่อายุแปดหมืนปีหกหมืนปีอายุของพระสีอานจะเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยวิทยาธิกะ แต่เราในปัญญาทิกะบำเพ็ญชั่นรวบลั ด, ป, ลดปัญญาทิกะศรัทธาทิกะวิริยะทิกะพระพุทธเจ้ามี3ามระดับ A B C D ลักษณะอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็น เ, เป็น B ว่า ง, งั้นอะ A A B C พระพุทธเจ้าเป็น C แล้วก็อง B นะั่็คือศรัทธาทิกะแล้ววิริยะทิกะ วิยาธิกาเนี่พระพุทธเจ้าจะยาวนานที่บิบารมีของท่านจะใหญ่มากในการเทศนาว่าการบางองค์ท่านจะไม่ได้พูดอะไรมากเลยบริษัทของพระองค์เนี่ยเป็นผู้ฝึกฝนมาแล้วบริบูรณ์มาแล้วเพียงแต่มานั่งต่อประพักต่อหน้าเนี่ยพวกท่านทั้งหลายตั้งใจพูดเพียงเท่านั้น่นนะแปลว่าตั้งใจจิตวิ่งป๊อปเข้ามาหาความรู้สึกตัวเองเออ ปล่อยว่างเท่านั้นล่ะก็สําเร็จล่ะท่านมาในเทศอะไรมากเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราในเทศธนาว่าการยกแม่น้ำทางห้ามาแนะนําสั่งสอนจิตเพอเพยยังประมาทพระองค์อีกเอออันนี้ก็คือเป็นบุญวัฒนาบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นะแต่พระศีอาริยะเมตตายเนี่ยมาเกิดไหมในยุคสมัยนี้มาเนี่ยในตําราในพระไตรปิฎกทธนวายอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือท่านบําเพ็ญ ในชาตินี้ท่านก็ไม่ได้สําเร็จอะไรเพราะเหตุไรเพราะท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตอันนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราท่านทั้งหลายไม่มีใครที่จะมองเห็นกันได้ว่าองค์นั้นจะได้สําเร็จเพราะอะไรแต่ถึงยังไงให้ตั้งใจเอาไว้ว่าให้สั้นที่สุดดีกว่าอย่างหลวงพ่อเนี่อแต่ไหนแต่ไรมาขอให้พ้นทุกในวัตะสงสารให้เร็วที่สุดเกิดพบพบในาชาติหน้าก็จะต้องแก่เจ็บตายอยู่อย่างนี้จะหาความสุขได้ที่ไหน จะทำยังไงชีวิตของเราบารมีของเราจะให้กแก่กล้าเร็วที่สุดให้สั้นที่สุดให้รู้แจ้งเห็นจริงที่สุดเร็วที่สุดเพราะเหตุอะไรเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ย เ, เกิดพบน้าชาติหน้าเกิดมาแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็ทํามาคา้าขายแล้วก็บําเพ็ญมันไม่แพ้ชาตินี้วหรอกมันเหมือนเหมือนกันนี่แหละเกิดมากี่พบกี่ชาติกี่ร้อยกี่หมืน่นกี่แสนชาติก็ลักษณะอย่างเนี้ย เพราะนั้นเราจะไม่ชำระใจให้บริสุทธิ์ในชาตินี้จะไม่ดีกว่าเลยให้มันจบจบไปเลยให้ได้สําสเร็จมรรคสาเร็จผลไปเลยนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหลายบําเพ็ญถึงจะเรื่องอนาคตนั้นส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยเราควรจะเล่นความภาคความเพียรจะทํายังไงจิตใจของเราจึงจะพ้นทุกข์ให้เร็วที่สุดเออนี่แหละแต่การที่จะพ้นทุก จะทำยังไงพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยู่ในสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมอันใดอันหนึ่งกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสีเนี่ยอันใดอันหนึ่งในสี่อย่างเนี่ยตลอดไม่เผลอถ้าว่าท่านมีบุญวาสนาเก่าเจวันท่านมีโอกาสที่จะตัดสุลได้บรรลุธรรมได้เป็นพระอรหันต์ได้ เพรจิตติอยในจะติประธานสิถ้านานกว่านั้นเจ็ดเดือนถ้านานที่สุดอย่าบารมีทั้งจะอ่อนขนาดไหนก็จะอ่าจะทามีความมุ่มมันมีความตั้งใจไม่เกินเจ็ดปีพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ไว้อย่างนั้นไม่เกินเจ็ดปีแต่ว่าเรามาพิจร า, นานรณาคําพูดแต่มันพูดที่พระพองค์ตรัสไว้เลยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะท่านพูดแบบง่ายๆพูดง่ายๆ แต่ก็มีผูตั้งใจจริงอย่างนั้นนหะและตามไม่จริงโอ้มันไม่ใช่พอเราทำํำทำเข้าไปดูแล้วนาทีหนึ่งเนี่ยตั้งนาฬิกาดูก็แล้วกันมันคิดออกจากมันอยู่ไม่ไม่อยู่ในสติปัฏฐานสี่เราเงินเน่ยมันสลับไปสลับมาสลบมันยิ่งกว่าลิงอีกต่างหากทีนี้เพราะฉนั้นเราจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลไม่ใช่ของง่ายแต่ถ้าหาแต่ถ้าว่าเราจริงจังเอาจริงๆริ ดังนั้นก่อนได้รับความสงบทางด้านจิตใจพวกนั้นให้พวกเราหึือยังไงยังไ ง, ง, ไงให้มีความพยายามมาตั้งใจเอาไว้เรื่องสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมให้อยู่จิตใจของเราอยู่ในสติปัฏฐานสีถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอย่างที่หลวงพ่อได้พูดในเทศในเทป MP ็สบางกันเหมือนกับเร า, เอาบอกว่า ให้เราถือน้ำมันงาอยู่ในขันเต็มเปี๊ยแล้วให้เดินไปหนึ่งโยดไม่ให้น้ำมันงาหกถ้าหกจุดถ้าหกนัสถานที่ดใดเพชรข้าถือดาบเดินตามหลังอยู่ถ้าหกเมื่อไรแปลว่าคอกระเด็นเลยคอขาดเดี๋ยวไงเพชรข้าจะตัดคอในเดี๋ยวนั้นเลยนี่แหละเราจะพยายามให้ดีที่สุดคือเออ ไม่เห็นน้ำมันงามันหกออถึงจะเดินยังไงเราก็พยายามประคับประคองน้ำมันงานั้นนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นความแก่ความเจ็บความตายเห็นความทุกข์เหมือนกับเพชฌฆาดที่จะตัดคอเราอยู่เราก็พร้อมที่จะเอาสติสัมปชัญญะอยู่ในสมาธิออดูใจของตึกตนเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสติปัฏฐานสีถ้าเห็นโทษถึงขนาดนั้นแล้วเป็นไปได้ พูดอย่างนั้นได้ถ้าว่าเห็นโทษความแก่ความเจ็บความตายเห็นความทุกข์เหมือนกับพยาเหมือนกับเพชฌฆาตถือดาบเดินตามหลังเราอยู่เราอาจจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารได้แต่โดยมากพวกเราเนี่ยมองเห็นเพชฌฆาตเป็นมิตรเป็นสหา ย, เ, ยเป็นเพื่อนกันว่าไงเมื่อเป็นเพื่อนกันกับเพชฌฆาตอีกต่างหากพอเห็นเพชฌฆาตพอเห็นความตาย เนพอเพชฌคาตเหยียบคอจริงๆโอ้โหโทโทโทโทโทษโทษโเอาขนาดได้เลยเห็นแล้วก็ใจขาดตายไปในขณะที่อยู่ธรรมดาอยู่ดินอยู่ดีมีสุขเนี่ยมันถือว่าทหารเพชฌฆาตคดีพยาเพชฌฆาตคดีมัติยุราศ์คนดีทหารพยามัตจุราศ์แก่เจ็บคนดีเป็นเพื่อนของเราทั้งหมดเป็นมิตรเป็นสหายกันถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นนะแปลว่าไม่ จิตกจไม่อยู่ในสติปัฏฐานสี่ไม่เห็นโทษเพราะนั้นพวกเราให้พิจารณาดูนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนะเพราะนั้นหลวงพ่อวันนีนะ้ให้แนวความคิดพวกเราอย่า ก, กลัวเข้ามาอยู่ในป่าดงพงไผให้สังเกตให้ใช้ปัญญาให้มีสติรอบคอบอันไหนเป็นอันไหนอันไหนเป็นอันไหนอันไหนควรยังไงอันไหนไม่ควรยังไงแหมกลัวทาไมเรากลัวเนี่ย กลัวแบบโงห่หรือกลัวแบบฉลาดถ้ากลัวแบบฉลาดกับกลัวที่สัตว์สาราสิงมันจะมายังไงเราก็ต้องหาวิธีการแก้ไขกลัวก็ทั่งความมืดกลัวก็ทั่งไรลักษณะนี้แปลว่ากลัวไม่มีมีเหตุกลัวไม่มีผลใช่ไม่ได้ไม่ใช่นับปฏิบัติธรรมจากนั้นกนเรื่องการภาวนาเเรื่องการภาวนาให้ดูให้สังเกตให้มีศีล ให้มีศีบลบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้ามีศีลและจิตใจของเราจะอาจฐานร่าเริงในการเป็นอยู่จากนั้นก็เรื่องสมาธิพยายามทำจิตใจยังไงบําเพ็ญยังไงจึงจะพ้นทุกนัยวัฏสงสารพระอสติมหาสาวกทั้งหลายท่านบําเพ็ญก่อนที่จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผล น, นั้นท่านทํำยังไงอย่างพระพา ย, ยะเป็นตัวอย่างท่านบําเพ็ญไปตายอยู่บนยอดเขามาชาตินี้ท่าน เบาบางเต็มทุนท่านจึงได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลไม่ใช่ของได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายถ้าพวกเราท่านทําอยู่เดี๋ยวนี้กับเป็นบอกเป็นอุปนิสัยทําให้พ้นทุกในชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยติดภบติดชาติต่อไปภายภาคหน้าไม่หายไปที่ไหนไม่สาบสูญไปที่ไหนอยู่ในใจของพวกเราน่ยถ้าเราทําสิ่งที่มันไม่ดีถึงสี่งชั่วชาติเสียหายเกิดพบหน้าชาติหน้ากัอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ พระภิกษุองค์เนี้แต่ชาติก่อนหัวรื้อนั้นเนี่ยไม่ยอมฟังใครเน่ยมาเกิดชาตินี้ก็หัวรื้ออีกอย่างเกา่าชุ่มซาไม่อย่างเกา่าชั่วอีอย่างเก่าอโมคะภิกษุโมฆะบุรุษเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเคยตรัสไว้อย่างนั้นที่ให้พวกเราศึกษาในพระวิ น, นัยนะเพราะนั้นพวกเราเกิดมาพบในชาตินี้ได้บวชในพระพุทธศาสนาสิ่งไหนที่มันไม่ดียาทนะ ทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวิ น, นัยใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญนะวันนี้ให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งต่อ น, นี้ไปรับพร อ, อนุมมทนาให้พร